อตอนฝนตกนี่ก็ต้องขอนั่งสมาธิกันไปก่อนเพราะว่าพูดไปก็ฟังไม่ค่อยได้ยินไปมาปฏิบัติธรรมกันเลยมาทำใจให้สงบกันวิธีไหนก็ได้ดูลมหายใจออกก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจก็ได้หรือจะ ดูอาการสาิบก็ได้พัฒนาร่างกายว่าเป็นเด น, น้ำลงใจก็ได้เอาให้อยู่กับธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใจก็จะสงบใจจะสบายลืมเรื่องราวต่างๆไปความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดของเราเองเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็ทำให้เราไม่สบายใจ พอเราไม่ได้คิดใจเราก็จะสบายถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆก็ไม่มาเกี่ยวกับเราแล้วตอนนี้ก็ขอนั่งสมาธิกันไปทางๆก่อนจนกว่าฝนจะหยุดแล้วจะพูดธรรมะให้ฟังต่อไป ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วก่อนที่จะแสดงธรรมก็ขออนุโมทนาให้พรก่อนเผื่อท่านที่ต้องมีธุระต้องไปก่อนจะได้ไม่ต้องรอานานจนเกินไป <c oughs> ยะทาว า, วาหวาปุราปาริกปุเรนติสาคัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตาน t a อุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฌโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนาระโสยถาบริโตติรโสยถาสภิดิโอวิวัจันโต สัพะรโคเวนัสสตมาเตภวทวันตารายสุขีทีคาอยู่โกภะอภิวาทนสีฤทธะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธมาวัฏฐนติอายุวันโอสุขังภะลา ต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้มีความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายที่พวกเราทุกคนปรารถนากัน นั่นก็คือความสุขและความเจริญความพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเชื่อในพระอระหันตสาวก ของพรพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติได้พัฒนาชีวิตจิตใจของตนจนได้พบกับความสุขความเจริญที่สูงสุดเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงการพัฒนาจิตใจ เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะเป็นการพัฒนาที่ถาวรไม่เสื่อมไม่สิ้นไปเหมือนกับการพัฒนาทางร่างกายทางวัตถุทางราบยศสรรเสริญที่ยังอยู่ภายใต้กฎของ กายลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพัฒนาแต่ร่างกายพัฒนาแต่ลาบยศสารเสริญพัฒนาแต่วัตถุเราก็จะไม่ได้พัฒนาจิตใจของเราที่เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สิ้นเป็นสิ่งที่ ฐาว์กของเราก็จะไม่ได้รับการพัฒนาแล้วเวลาที่ร่างกายของเราเสื่อมสิ้นไปการพัฒนาของเราทั้งหมดก็จะหมดจากเราไปเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ไปแบบไม่ได้ มีการพัฒนาและอาจจะไปแบบไม่ได้นอกจากไม่ได้พัฒนาแล้วยังอาจจะทำให้เสื่อมลงไปมากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะในการพัฒนาราบยศสรรเสริญพัฒนาวัตถุพัฒนาร่างกายบางครั้งก็อาจจะ มีการทำบาปได้การทำบาปนี้แหละเป็นการที่จะดึงจิตใจให้เสื่อมลงให้ต่ำลงคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตใจก็จะคิดว่าพระพุทธศาสนานี้ต่อต้านการพัฒนา ต่อต้านความเจริญของทางโลกเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้มากน้อยสันโดษไม่ให้ยินดีไม่ให้โลภมากไม่ให้อยากได้อะไรมากมากเช่นไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้วัตถุข้าวของเงินทองต่างๆมากจนเกินความจำเป็น คนก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้คนก้าวหน้าไม่ได้สอนให้คนเจริญรุ่งเรืองเพราะไปคิดว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นอยู่ที่วัตถุอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญเช่นบ้านเมืองมีตึกรามบ้านช่องมีถนนหนทาง มีรถยนต์มีเครื่องบินมีอะไรต่างๆก็คิดว่านี่คือการพัฒนาแต่การพัฒนาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจของมนุษย์และสัตว์นี้เจริญตามเลยแต่กลับทำให้จิตใจของมนุษย์และสัตว์นี้เสื่อมลงไป พอจะเกิดความโลภมากขึ้นไปพอเกิดความโลภมากขึ้นความโกรธก็จะตามมามากขึ้นบาปกรรมก็จะทำมากขึ้นจิตใจก็จะเสื่อมลงไปจากการเป็นมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างความเสื่อมของจิตใจ หรือความเจริญของจิตใจนี่แหละเป็นตัวที่วัดความเจริญที่แท้จริงหรือวัดความเสื่อมที่แท้จริงไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุทางราบยศสรรเสริญที่เป็นอยู่ในขณะนี้บ้านเมืองเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านวัตถุทางด้านราบยศสรรเสริญ แต่จิตใจของพวกเรากับได้รับการเสรื่อมลงไปตามลำดับเพราะเรามีความโลภ ก, กันมากขึ้นมีความโกรธกันมากขึ้นมีความหลงกันมากขึ้นมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจกันมากขึ้นการพัฒนาทางวัตถุไม่ได้มาทำให้จิตใจได้เจริญก้าวหน้าตามเลย แต่กลับเป็นการตรงกันข้ามกันเป็นการสวนทางกั น, ย, นยิ่งพัฒนาทางวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภัมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้จิตใจเสื่อมลงไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการพัฒนาลาบยศสรรเสริญพัฒนาวัตถุนี้ เกิดจากความโลภความหลงนี่เองเกิดจากความหลงที่คิดว่าการพัฒนาราบยศสรรเสริญจะนํามาซึ่งความสุขจะทําให้มีความสุขมากขึ้นแต่ความจริงแล้วมันกลับทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เพราะการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้กําลังใช้ ใช้พลังใช้พลังกายและพลังใจก็ต้องเหนื่อยต้องทุกข์ยากลาบากแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาก็ต้องเหนื่อยยากลาบากอีกแล้วก็ไม่ว่าจะรักษาอย่างไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมไปเสียไปก็ต้องมาสร้างขึ้นมาใหม่ ก็จะเหนื่อยอยู่กับการสร้างอยู่กับการทํานุบำรุงรักษาแต่จิตใจนี้ไม่มีความสงบเลยมีแต่ความวุ่นวายกับการพัฒนาวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆนี่คือเรื่องของการพัฒนาที่ปรอม คือไม่ได้ทําให้จิตใจของคนสูงขึ้นดีขึ้นคนกลับตกต่ําลงจิตใจของคนตกต่ำลงแม้นจะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นเดรัจฉานกันบ้างเป็นเปรตกันบ้างเป็นสัตว์นรกกันบ้างพวกที่เป็นเดรัจฉานก็คือทําบาป เพื่อที่จะเอาตัวเองให้อยู่รอดไม่คำหนึ่งถึงศีลและธรรมก็จะเป็นเดรัจฉานพวกที่ทำบาปด้วยความโลภอยากล้ำอยากรวยอยากมีมากๆก็จะเป็นเปรตแล้วพวกที่ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรก ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกต่ำถ้าถ้าสังคมของมนุษย์มีมีจิตใจแบบนี้อยู่มากก็จะทำให้สังคมของมนุษย์นี้อยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่อย่างไม่ปลอดภัยอยู่อย่างหวาดกลัวกันในทางตรงกันข้ามถ้าสังคม ถ้ามนุษย์มาให้ความสนใจต่อการพัฒนาจิตใจคือปฏิบัติตามที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนให้มีความมากน้อยสันโดษในเรื่องของลาบยศสารเสริญในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผทธพะในเรื่องของวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆแล้วเอา ทัพ ส, สมบัติข้าวของเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นนี้เอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเคารพในสิทธิของกันและกันคือจะไม่ฆ่าจะไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมาสังคมก็จะมี เทวดาเป็นจำนวนมากเพราะคุณสมบัติของเทวดาก็คือเป็นผู้ที่ใจทานใจบุญสุนทานนี่เองชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบแบ่งปันไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ด้วยการทำบาปแก่ผู้อื่นสังคมนั่นแหละเป็นสังคมที่จเจริญ ถึงแม้ว่าจะไม่มีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตไม่มีเครื่องไม้เครื่องสอยเครื่องไม้เครื่องใช้สอยมากมายกายกองแต่ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างปลอดภัยอยู่ด้วยความเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขานี่คือการพัฒนาจิตใจ จะทำให้สังคมของมนุษย์นี้เป็นสังคมที่พัฒนาที่แท้จริงจะไม่ต้องมีสงครามอย่างแน่นอนถ้าทุกคนพัฒนาจิตใจของตนจะไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีผู้พิพากษาไม่ต้องมีคุกมีตารางไม่ต้องมีกุญแจไว้ล็อก ข้าวของต่างๆเพราะทุกคนจะไม่มีใครอยากได้ข้าวของของใครทุกคนมีความมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดส่วนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีผู้ที่ยินดีให้ความช่วยเหลือก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่กุญแจป้องกัน ขโมยเพราะจะไม่มีขโมยถ้าจิตใจของคนทุกคนได้รับการพัฒนาเหมือนกันคือมีความมากน้อยสันโดษมีทานมีศีลก็จะเป็นสังคมของเทวดาไปแต่การพัฒนาจิตใจนี้ก็มีแบ่งอยู่เป็นสองระดับด้วยกันคือระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระ โลกิยะก็คือเป็นระดับที่ยังอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนของความไม่เที่ยงส่วนโลกุตระนี้เป็นส่วนที่อยู่เหนือของความไม่เที่ยงของกฎของความไม่เที่ยงคือจะเิศแล้วจะไม่มีวันเสื่อมส่วนระดับโลกิยะนี้จะเิศแล้วก็ยังมีวันที่จะเสื่อมได้ เช่นถ้าพัฒนาจิตใจให้เป็นเทพก็จะเสื่อมกลับมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเช่นเวลาตายไปแล้วก็ไปรับอนิสงค์ของการเป็นเทพก็จะสวยจะเสดความสุขของเทพไปจนความสุขนั้นหมดไปก็ต้องเสื่อมลงมาอยู่ในระดับของมนุษย์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องทำบุญทาทานรักษาศีลใหม่เวลาตายไปก็จะได้กลับขึ้นไปเป็นเทวดาใหม่อันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ยังไม่ยั่งยืนยังไม่ถาวรอีกระดับหนึ่งก็เช่นเดียวกันที่ยังไม่ยั่งยืนไม่ถาวรก็คือระดับพรหมโลกคือนอกจากทาทานรักษาศีลแล้ว ก็เจริญสัมมาทิวนาทำจิตใจให้สงบเป็นฌานเป็นสมาธิได้เวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดในระดับพรหมโลกแต่กำลังของสมาธิก็จะอ่อนลงไปทีละเล็กเทีละน้อยแล้วต่อไปก็จะทำให้เสื่อมลงมาอยู่ขั้นระดับของเทวดาของของเทพ แล้วต่อมาก็จะเสื่อมลงมาสู่ระดับมนุษย์ใหม่นี่คือการพัฒนาในระดับโลกียะที่ยังไม่ถาวรแต่ก็ยืนยาวนานกว่าการพัฒนาทางร่างกายหรือทางวัตถุทางร่างกายทางวัตถุก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีส่วนใหญ่ แต่เป็นเทวดาเป็นพรหมนี้ก็เท่าที่ได้ยินก็เป็นพันปีเป็นหนึ่งปีกว่าที่จะเสื่อมลงมามาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยากจะพัฒนาแบบที่ไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นที่สูงสุดได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุอ พรอนุตรลกาณส ม, มาสัมโพธิญาณคือรู้เหตุที่ทําให้จิตใจต้องเสื่อมลงมาแล้วกําจัดเหตุที่ทําให้จิตใจนั้นเสื่อมได้ก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมลงมาคือสามารถรักษาใจที่มีความสงบมีความสุขนี้ได้อย่างถาวรโดยกําจัด เหตุที่จะมาทำให้ความสงบสุขของใจนี้เสื่อมไปจะมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีปัญญาที่จะค้นพบต้นเหตุที่ทำให้จิตใจที่หลังจากได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นฌานขั้นสมาธิแล้วต้องเสื่อมกลับลงมาพ อ, อพระองค์ได้ทรงค้นพบต้นเหตุนี้ แล้วกาจัดต้นเหตุนี้ได้ใจก็จะไม่ได้เสื่อมลงมาอีกต่อไปความสงบสุขที่ได้รับจากความที่ได้รับจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มะถะภาวนาก็จะไม่มีวันเสื่อมถ้ามีวิปัสสนาภาวนามาคอยดูแลรักษาอีกทีหนึง่งวิปัสสนาภาวนาก็คือการมี ปัญญาเห็นเหตุที่ทำให้ใจเสื่อมเห็นเหตุที่ทำให้ความสงบสุขนี้เสื่อมลงเหตุที่ทาให้ความสงบสุขนี้ส่งเสื่อมลงก็คือตัณหาทั้งสามนี่เองอันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเองผู้อื่นนี้ไม่มีโอกาสไม่มีปัญญาที่จะฉลาดรอบครอบ พอที่จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความเสื่อมของความสุขของความสงบของใจกลับไปเห็นว่าเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ได้มีความสุขคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นกันถ้าไม่มีความอยากแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนคนเราต้องอยากมีความสุขก่อนอยากรวยก่อนถึงจะรวยได้แล้วถึงจะมีความสุขได้ แต่ไม่รู้ว่าความรวยความสุขที่ได้จากความรวยนี้มันเป็นทุกขราบมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้มันมีความทุกข์ห้อยติดมาด้วยมองไม่เห็นความทุกข์มองไม่เห็นความเสื่อมของลาบของเงินทองนี่เองเวลาเงินทองหมดไปนั้นเวลานั้นเป็นเวลาสุขหรือเวลาทุกข์กันแน่ อันนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นแต่สำหรับผู้มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้านี้จะทรงเห็นว่าลาบยศสรรเสริญและวัตถุเข้าของต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทังนั้นเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถที่จะคุ้มครองรักษาป้องกันไม่ให้มันเสื่อมได้นั่นเองแล้วก็ทรงเห็นว่า ความไม่สบายใจความความไม่สงบของใจก็เกิดจากความอยากนี่เองแต่อยากให้ใจสงบให้สบายเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิาธเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ต้องหยุดความอยากนั้นให้ได้อย่าไปทำตามความอยากเช่นขั้นของพระโสดาบันก็จะมีความอยาก ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้นี่คืออนิจจังอนัตตาถ้าเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความ ทุกทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีผู้ที่พิจารณาเห็นความจริงอันนี้แล้วก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะสามารถรักษาความสงบของใจให้สงบสุขอยู่เหมือนเดิมได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจไม่เดือดร้อนใจยังอยู่ในยังอยู่ในความสงบสุขอยู่เหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นนี่คือการพัฒนาแบบโลกุตระคือเหนือโลกิยะเหนือกฎของตายรัตผู้ที่พัฒนาได้ขั้นของพระโสดาบันนี้ก็จะมีพบชาติไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าปฏิบัติขั้นต่อไปได้คือขั้นกําจัดการมาราคะการมาราคะนี่ก็เป็นตันหาความอยากอีกตัวหนึ่งที่ทำให้จิตใจเสื่อมจิตใจไม่สงบพระโสดามันก็ต้องพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ความสกรปรกของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามเห็นส่วนที่สกรปรกของร่างกายแล้วก็จะควบคุมกามอารมณ์ไม่ได้ถ้าสามารถทำให้การอารมณ์นี้เบาบางลงไปก็จะได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสะกดาคามีก็จะมีเหลือภพชาติไม่เกินหนึ่งชาติเป็นอย่างมาก ถ้าสมมุติตายไปตอนที่เป็นสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวแล้วก็จะมาเจริญอาสุภะกรรมาฐานต่อจะมาพิจารณาอาสุภะพิจารณาปฏิกูลดูความไม่สวยงามของร่างกายเช่นอาการสาสองที่มีอยู่ใต้ผิวหนังไปเช่นเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นลำไส้ เห็นเยื่อในสมองสีสะเห็นน้ำชนิดต่างๆเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเช่นปัสสาวะอุจจาระเห็นแล้วก็จะทำให้การมาลมนี้ดับไปได้ถ้าสามารถดับการมาลมได้อย่างถาวรก็จะได้บรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามี ถ้าได้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระอารหันต์ก็จะเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมโลกแต่เป็นสวรรค์พรมโลกที่ไม่เสื่อมเหมือนกับที่ได้จากการนั่งสมาธิเพราะนี่เป็นโล ก, กุตระเกิดจากการกาจัดก า, าาการมราคะการมาราคะนี่แหละที่ทำให้จิตที่มีสมาธิ ต้องเสื่อมลงเสื่อมลงมาหารูปเสียงกลิ่นรสของระดับเทวดาแล้วก็เสื่อมลงมาหารูปเสียงกลิ่นรสของระดับมนุษย์ตามลำดับต่อไปแต่ถ้าไม่มีการมรรคอยู่แล้วก็จะไม่มีตัวที่จะมาทำให้ใจยอยากทำให้ใจเสื่อมลงมาจากพรหมมาเป็นเทพจากเทพมาเป็นมนุษย์ได้นี่คือขั้น พัฒนาขั้นที่สามขั้นถาวรขั้นที่สามแล้วถ้าพัฒนาขั้นที่สี่ได้ถาวร ก, ก็คือการกําจัดความหลงที่ไปคิดว่าตัวจิตนี่คือตัวตนถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าตัวจิตนี้ก็คือตัวรู้เท่านั้นเป็นธาตรู้ไม่มีตัวตนในธาตรู้ ตัวตนนี้เกิดจากอวิชชาความหลงที่ไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองไปสมมติขึ้นมาเองว่าตัวรู้นี่คือตัวตนแล้วก็เกิดตัณหาความอยากให้ตัวตนนี้ยิ่งใหญ่อยากให้ตัวตนนี้มีความสุขมากๆความอยากนี้มันก็เลยทำให้ยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัตจักของการ เวียนไายตายเกิดได้อยู่ยังติดอยู่ในระดับพมหมโลกอยู่แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าตัวจิตนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่มีตัวตนความสุขที่มีอยู่ในจิตนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันถ้าไปอยากให้มันถาวนมันก็จะเกิดทุกขังขึ้นมา พอพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางความสุขในจิตนั้นได้ปล่อยวางอัตราตัวตนนั้นได้ก็จะได้จิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะหลุดออกจากวัตฏะของการเวียนว่ายตายเกิดได้พะจะไม่มีความอยากให้จิตนี้มีความสุข เพราะเมื่อไม่มีความอยากได้ให้จิตมีความสุขจิตกลับมีความสุขมากกว่าเดิมเป็นความสุขที่บ่อยสุดเป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติของจิตที่สงบของจิตที่ปราศ จ, จากความอยากต่างๆนี่องอันนี้แหละคือการพัฒนาของพระพุทธเจ้าและของพองระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจ ท่านไม่สนใจกับเรื่องการพัฒนาทางด้านวัตถุทางด้านปัจจัยสีทางด้านราชยศสารเสริญท่านเน้นเรื่องมากน้อยสันโดษเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะได้เป็นเกราะหรือเป็นรั้วกันไม่ให้ความโลภความอยากนี้มันเพิ่มพูนมากขึ้นไปนั่นเองถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษแล้วความโลภความอยากนี้มันจะไหลทะลักออกมา เหมือนกับวัวควายที่ไม่มีคอกหรือคอกมันเสียชำรุดมีช่องให้มันออกได้มันก็จะออกกันมาเป็นฝูงเลยสันใดถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษความโลภความโกรธความหลงนี่มันจะไหลทะลักออกมาความอยากได้สิ่งต่างๆนี่มันจะไหลทะลักออกมาแบบไม่มีไม่มีวันหยุดนี่คือ เหตุที่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีก็คือความมักษน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้เป็นรัว้วต้านความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่ให้ไหลทะลักออกมาแล้วจะได้เข้าไปกำจัดมันได้ตามลำดับต่อไป ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงกับการพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญทางด้านรูปเสียงกลิ่นรสทางด้านวัตถุเพราะมันเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีกําลังมากขึ้นกิเลสตัณหามีกําลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากขึ้นไปเท่านั้นแต่การพัฒนา จ, จิตใจด้วยการปฏิบัติตาม พอทำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทําทานแต่งปันรักษาศีลไม่ทําบาปภาวนาทําจิตให้สงบสอนใจให้ฉลาดก็จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงความอยากความอยากน้อยลงไปเท่าไหร่ความทุกข์ก็น้อยลงไปเท่านั้นเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลง เลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยเมื่อไม่มีความทุกข์เลยก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจแล้วก็จะสุขไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ถาวรไม่สิ้นสุดนั่นเองนี่แหละถึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่แท้จริงที่ถาวรเพราะได้ความสุขที่แท้จริงและถาวร ถ้าพัฒนาทางลาบยศสารเสญทางวัตถุทางร่างกายก็จะได้การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรและความสุขที่ได้ก็ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เพราะว่าจะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขนี้เสื่อมไปดังนั้นขอให้เราจงพยายามดาเนินตามรอยที่พระพุทธเจ้า พระอาลัยหันตรสาวกทั้งหลายได้มำเพญกันมาเถิดอย่าเดินตามรอยของคนที่หลงกันในด้านวัตถุในด้านลาบยศสารเสริญเลยเพราะเป็นนําเป็นการเดินเข้าสู่กองทุกขเข้าสู่ความหายยนต์ต่างๆเราต้องเดินออกจากกองทุกขออกจากการพัฒนาลาบยศสารเสริญพัฒนาวัตถุ พัฒนาเข้าของเงินทองพัฒนาร่างกายแล้วหันมาพัฒนาจิตใจด้วยการทำทานแบ่งปันด้วยการรักษาศีลไม่ทบาบาสด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นปรามังสุขขังได้อย่างแน่นอน เพราะมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันมาแล้วได้รับผลกันมาแล้วพวกเราก็ไม uh, ่ต่างอะไรจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกใจของพวกเราเหมือนกันต่างที่ตอนนี้เรายังไม่ได้พัฒนาใจของเราต่างตรงที่ว่าเราไม่มีความหยาเหมันเพียรเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันตสาวกเราไม่มีความกล้าหาญเราไม่มีความอดทน ถ้าเรามีความขยันมีความกล้าหาญมีความอดทนที่จะบำเพ็ญตามรอยพระบาทแล้วรับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและถาวรนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่มาทีหลังถ้าอยากจะนําข้าวขออะไรเข้ามาถวายอยากจะมารับหนังสือซีดีก็ขอเชิญเข้ามารับได้มาถวายได้ มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรบ้างัหมที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะให้ขยายความเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ก็ถามได้ใจนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ ท, ทั้งทั้งที่อยู่กับเราทั้งที่เป็นตัวเรา แต่เรากลับมองไม่เห็นตัวเราเองเหมือนกับร่างกายนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีกระจกเราก็จะมองไม่เห็นหน้าเราใจเราถ้าไม่มีกระจกสองก็จะไม่เห็นเหมือนกันกระจกสองใจก็คือธรรมะนี่เองถ้าเราศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นใจโดยเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติจิตตภาวนา ทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นใจเห็นตัวรู้ขึ้นมาใจเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์นี้เราจะไม่เห็นจอมันเวลาเราเปิดเครื่องเราจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่บนจอเราเลยไม่รู้ว่าจอนี้มันเป็นจอสีอะไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรพอเราปิด โทรทัศน์แล้วไม่มีภาพปรากฏอยู่บนจอแล้วเราก็จะรู้ว่าอจอนี้มันเป็นจอสีอะไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรใจของเราถ้าไม่สงบมันจะมีความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาความคิดปรุงแต่งนี้ไม่ใช่ตัวใจความคิดปรุงแต่งนี้เป็นอาการของใจตัวใจนี้คือตัวรู้เราจะมองไม่เห็น จนกว่าเราจะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งที่เป็นเหมือนภาพที่ปรากฏอยู่บนจอพอไม่มีภาพปรากฏบนจอเราก็จะเห็นจอเปล่าๆใจก็เหมือนกันพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วเราก็จะเห็นตัวรู้ตัวเดียวถ้าเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เดี๋ยวใจมันก็จะหยุดคิด พอหยุดคิดแล้วทีนี้ก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมาสักแต่ว่ารู้อันนี้แหละคือตัวใจแล้วเราจะรู้ว่าใจนี้กับร่างกายนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันไม่ได้เป็นคนเดียวกันมันมีความต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันเพราะใจนี้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้มาใช้ร่างกายนี้ให้ทำอะไรต่างๆ แต่ใจนี้มันไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี้อยู่ในโลกทิพส่วนกายนี้อยู่ในโลกโลกกะทาดโลกกระทาโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นโลกกะทาคือโลกที่ร่างกายอยู่นี้เป็นโลกกะทาเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นร่างกายนี้ก็ทามาจากดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้อยู่โลกทิพ ก็ใช้กระแสจิตนี้เข้ามาครอบของร่างกายกทีหนึ่งแล้วก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าเปรียบกับสมัยปัจจุบันนี้เรามีของเล่นที่เราสามารถควบคุมบังคับด้วยสัญญาณวิทยุเ <c oughs> ช่นเครื่องบินหรือหุ่นยนต์ต่างๆเช่นหุ่นกู้ระเบิดเขาก็ใช้สัญญาณวิทยุคอยสั่งการให้หุ่นกู้ระเบิเข้าไปกู้ระเบิด ส่วนคนที่ควบคุมสั่งการนี้ไม่ได้นั่งไปกับขุนกู้ระเบิดอยู่ที่ปลอดภัยถ้าเกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นมาก็จะระเบิดที่ขุ่นที่ไปกู้ระเบิดเท่านั้นแต่ผู้ที่ควบคุมหุ่นนี้ไม่ได้ถูกลูกระเบิดไปด้วยเพราะอยู่กันคนละที่กันใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนเพื่อนผู้ที่ควบคุม ร่างกายที่เป็นเหมือนขุ่นกู้ระเบิดเราส่งใจไปทํานู่นทำนี่เวลาเราส่งร่างกายไปทําภารกิจ ต, ต่างๆเวลาร่างกายไปประสบอุบัติเหตุใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพราะใจอยู่คนละที่กับร่างกายนั่นเองใจอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกทาเวลาที่ร่างกายเสื่อมหมดไป ใจก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายแต่ใจขาดปัญญาถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าใจอยู่กับร่างกายใจเป็นร่างกายก็เลยทําให้ใจเครียดใจทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเช่นเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายใจกลับไปเครียดแทนร่างกายร่างกายเขาไม่เครียดเลย เพราะเขาไม่มีความเครียดเขาไม่มีความรู้สึกเขาเป็นเพียงแต่วัตถุเหมือนกับไมโครโฟนนี่เขาไม่รู้ว่าเขากาลังทำหน้าที่รับเสียงเข้าไปแล้วส่งไปตาม <c oughs> ลำโพงต่างๆเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขารับเสียงแล้วก็ส่งเสียงไป <c oughs> แต่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเป็นอะไร มีใจตัวเดียวเท่านั้นที่มีความรู้เราถึงเรียกว่ า, าธาตุรู้ตัวรู้าธาตุดินไม่รู้าธาตุน้ำไม่รู้าธาตุลมไม่รู้าธาตุไฟไม่รู้ร่างกายนี้ทำด้วยาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลาร่างกายเจ็บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บผู้ที่รู้คือใจผู้ที่ทุกข์ก็คือใจเพราะไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกาย ถ้าสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ต่อไปก็จะไม่ทุกกับร่างกายเหมือนกับคนที่รู้ว่าตอนเองเป็นคนควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเวลาหุ่นไปถูกระเบิดขึ้นคนที่ควบคุมก็ไม่เดือดร้อนอะไรตัวหุ่นก็ไม่เดือดร้อนอะไรระเบิดก็ระเบิดไปพังก็พังไปมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคนที่ควบคุม หุ่นนี้ใจเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดแต่คิดไปในทางหลงคิดไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยู่คู่ไปกับใจตลอดเพราะใจเป็นสิ่งที่อยู่ไปตลอดแต่ร่างกายมันไม่อยู่ไปตลอดก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาภายในใจ ใจก็เลยไปทุกข์กับร่างกายเพราะไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพระอจาจารย์จึงต้องสอนให้พวกเราบําเพ็ญจิตตะภาณาให้ทําใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบแนละ้วใจกับร่างกายจะแยกกันออกชั่วคราวเวลาใจสงบใจจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายต่อไปร่างกายจะนั่งอยู่ในท่าไหนจะเจ็บจะปวดอย่างไรใจไม่เดือดร้อน ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนอย่างคนที่เขาเข้าฌานได้เจ็ดวันสิบห้าวันนี่ทำไ้เขาได้เข้าไปหน้าเพราะใจของเขาแยกออกจากร่างกายไม่รับผิดชอบไม่รับรู้เรื่องของร่างกายชั่วคราวร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่มากระทบกระเทือนกับใจนี่แหละคือจุดแรกที่เราต้องทําให้ได้ก็คือเข้าให้ถึงจุดผู้รู้ให้ได้ ให้เห็นสักแต่ว่ารู้ให้เห็นว่าตอนนั้นร่างกายกับใจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่มันแยกกันได้เพียงชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอหมดพอหมดกาลังสติหมดกำลังมันก็จะเข้ามารวมตัวกันใหม่แล้วก็เริ่มคิดใหม่ก็จะมาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต่อตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาแยก เตือนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากจนเกินไปดูแลรักษามันไปตามกำลังตามเหตุตามผลถ้าดูแลได้รักษาได้ก็ดูแลไปแต่อย่าไปห่วงอย่าไปกังวลเพราะว่าห่วงยังไงกังวลยังไงมันก็ไปห้ามความเสื่อมของร่างกายไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้ ถ้าสอนใจอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางร่างกายได้ในขณะที่ยังมีความเชื่อมต่อกันอยู่จนเวลาร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมียากินก็กินไปไม่มีกินก็ไม่เป็นปัญหาอยู่กับมันได้เพราะใจไม่เดือดร้อนใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาจะตายถ้าห้ามมันไม่ได้รักษามันไม่ได้ มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่ใจก็จะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวเพราะใจรู้ว่าตนเองไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายนี่คือการละสะกายาทิฐิความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเห็นว่าเวทนาคือความเจ็บของร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวเราเป็นของเรา เราต้องแยกด้วยสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้มาจากดินน้าลมไฟเริ่มต้นที่ในในท้องแม่เมื่อได้รับเชื้อของพ่อมาผสมกับเชื้อของแม่เชื้อของพ่อก็เป็นดินน้าลมไฟเชื้อของแม่ก็เป็นดินน้าลมไฟเมื่อมารวมตัวกันแล้วใจก็เข้ามา ร่วมสังคกรรมด้วยต้องมีทั้งสามส่วนจึงทำให้ปรากฏการตั้งคันขึ้นมาได้คือต้องมีส่วนของพ่อมีส่วนของแม่แล้วก็มีส่วนของดวงวิญญาณเพื่อจิตใจที่ยังไม่มีร่างกายที่ตายจากร่างกายอันเดิอันเก่าแล้วก็มาหาร่างกายอันใหม่พอเจอร่างกายนี้ไม่มีใครจับจองก็เข้ามาจับจองทันที แล้วก็จะเกิดการเจริญเติบโตขึ้นไปตามลําดับด้วยการเติมธาตุผ่านทางสายเลือดของแม่อาหารที่แม่กินเข้าไปก็เป็นธาตุสี่ที่น้ำหลุดไฟแล้วก็แปลงเป็นเลือดเป็นน้ําเป็นอาหารเหลวต่างๆแล้วก็ไปก่อร่างสร้างตัวให้ร่างกายนี้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาพอมีอาการมีอวัยวะครบสาสบสอง และอยู่ในทันไม่ได้ก็ข้อออกมาพอข้อออกมาก็มาเติมธาตุต่ออะพอออกมาก็ต้องหายใจก็เติมธาตุนมเข้าไปพอหิวน้ําหิวนมก็ดื่มน้ำํำดื่มนมก็เติมธาตุน้ำธาตุดินเข้าไปธาตุไฟก็ได้รับการอบอุ่นจากแสงอาทิตย์จากเครื่องปรับอากาศต่างๆทําให้ร่างกายอบอุ่นไม่เย็นเฉียบ ร่ า, างกายเย็นเฉียบร่างกายก็จะต้องตายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นอาหารที่กินเข้าไปก็จะไปทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาผลิตความร้อนให้แก่ร่างกายอันนี้ก็เป็นการเติมธาตุสีน้าลมไฟนับมาตั้งแต่วันที่ออกมาจากท้องก็เป็นเรื่องของธาตุเข้าอยู่ตลอดเวลาช่วงและช่วงที่เกิด จนรัเจริญเติบโตนี้ธาตุจะเข้ามากกว่าออกแต่พอถึงเงขีดสูงสุดแล้วพอเกิดถึงขีดจเจริญเติบโตสูงสุดแล้วทีนี้ธาตุจะออกมากกว่าเข้าร่างกายก็จะเหี่ยวลงจะแก่ลงไปแล้วในที่สุดก็จะหมดกําลังร่างกายก็จะหยุดทํางานธาตุทั้งสี่ที่ได้มารวมกันก็จะแยกทางกันไป น้ำก็จะไหลออกจากร่างกายความร้อนก็จะไหลออกจากร่างกายลมก็จะไหลออกจากร่างกายเระเหยออกจากร่างกายไปทิ้งหรือส่วนที่เป็นดินก็คืออวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบหรือผ้าเน่าก็เปื่อยผุไปแล้วก็แห้งกรอบแล้วก็กลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาสอนใจให้เห็น ชัดๆว่าร่างกายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่ในน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องมีการแยกทางกันในที่สุดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะได้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หยุดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะผู้ที่แก่ผู้ที่จิบเจ็บผู้ที่ตายนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใจนั่นเอง ใจที่กลัวเป็นบ้าเป็นหนังนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ไม่รู้ความจริงคิดว่าตนเองตายไปกับร่างกายพอรู้ความจริงนี้ใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบได้ตั้งอยู่ในโอบเบคาได้พอใจมีโอบเบคาแล้วร่างกายจะเจ็บปวยขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะตายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไม่อยู่ในโอบเบคาแล้วจะวุ่นวาย จะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งพระอริยะทั้งหลายนี้ท่านสามารถรักษาใจให้อยู่ในโอเบขาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีความขยันมีความตั้งใจมีความเสียสละที่จะไม่ไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้อีกต่อไป มีมากมีน้อยขิดเส้นใต้ว่าพอแล้วขอเก็บไว้เท่าที่จาเป็นเท่านั้นพอไว้สำหรับเอามาส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติทางจิตใจดีกว่าเอาเวลามาทุ่มเทกับการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่าไปกังวลอย่าไปห่วงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะอย่างไรก็ต้อง ต, ต้องตายจากกันไปในที่สุด ห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายห่วงแล้วก็จะเสียเวลาไม่มีเวลามาภาวนาถ้าไม่ห่วงก็จะได้มีเวลามาภาวนามาปฏิบัติมาแยกทาดแยกขันธ์มากำจัดต้นเหตุที่ทำให้จิตใจว่าวุ่นขุดมัววุ่นวายทุกอยู่ตลอดเวลาก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งสามคือการมตัญหา ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลกับพระวิภา ว, ว, วะวัฏฐาหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัฏหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็จะพอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดพะจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นแล้วว่าอยากว่าวมันทุกอยากไปทาไมเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปห้ามเาได้ที่ไหน เขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปก็เท e ่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ความอยากของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราจะไปเปลี่ยนเขาได้อย่างไรเขาทำบุญมาเขาก็จะเป็นคนดีเขาทำบาปมาเขาก็จะต้องเป็นคนไม่ดีเราจะไปอยากให้เขาไม่ดีหรืออยากให้เขาดีได้ไง เขาดีเขาก็ต้องดีของเขาเขาไม่ดีเขาก็ต้องไม่ดีของเขาแต่เรามันมักจะหลงพออะไรเป็นของเราก็อยากจะให้ดีไปหมดไม่คิดว่าดีได้หรือเปล่าบางคนทําบาปมาแล้วก็มาหลงมาติดเข้ามาในท้องเราเ อ, ออกมาก็เป็นลูกเราพอมันเป็นลูกเราเราก็อยากจะให้มันเป็นคนดีแต่มันเป็นมหาโจรมากิอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีได้อย่างไร ถ้าก่อนมันเป็นมหาโจรย่างั้จะมาสอนมันให้เป็นคนดีมันไม่เป็นหรอกนอกจากว่ามันเป็นคนฉลาดมันเห็นโทษของการเป็นมหาโจรอย่างองค์คุลิมาเนี่ยฉลาดพอถูกพระพุทธเจ้าทักเท่านั้นเองก็เข้าใจก็กลับตัวได้เราก็มีหน้าที่ทักขเขาเท่านั้นเองว่าให้คุณกําลังทําไม่ดีนะแต่ถ้าเขาไม่กลับตัวแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้ รักกันขนาดไหนแต่ถึงเวลาท่านทำกิจกรรมแลตัวใครตัวมันใครชอบทํำไรก็ยังไปอย่างนั้นคนชอบบวชชีก็จะไปบวชชีคนชอบไปมีสามีก็ต้องไปหาสามีอย่ารักกันขนาดไหนกินกินกันขนาดไหนแต่พอถึงเรื่องการกระทําแล้วมันบังคับกันไม่ได้แนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องราวของคนอื่นมากจนเกินไปดูแลในขอบเขตของเหตุผลทําได้เท่าไหร่ก็ทําไป มีหน้าที่สอนก็สอนไปมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาก็เลี้ยงดูเขาไปพอเขาโตแล้วเขาพึ่งตัวก็เองได้แล้วก็จบเรามาดูแลตัวเราเองดีกว่าตัวเราที่ยังวุ่นวายยังทุกข์ไม่รู้จักจบจากสินนี้ให้มันหายทุกข์ให้มันหายวุ่นวายกันเสียทีไม่ดีกว่าเลยไปมัวแต่แก้ปัญหาของคนอื่นจนลืมแก้ปัญหาของตัวเองไปนี่แหละคือความโง่เขลาของพวกเรา อย่าไปคิดว่านี่เป็นการทำบุญนะเป็นการทำลายตัวเองคนฉลาดต้องรักษาตนก่อนเอาตนให้รอดก่อนเมื่อรอดแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนต้นก็ต้องหนีไปอยู่คนเดียวไปเอาไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อเอาใจให้หลุดพ้นให้ได้ก่อนพอใจหลุดพ้นแล้วทีนี้ก็มาช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ช่วยได้เยอะแยะมากมายกายกองเลย ถ้าตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะมาช่วยคนอื่นได้อย่างไรเหมือนเรายัางว่ายน้ําไม่เป็นแล้วจะไปช่วยคนอื่นที่จมน้ำไม่ให้จมน้ําได้อย่างไงเด็กก็จมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเราต้องไปไว่ายน้ําให้แข็งก่อนให้เก่งก่อนแล้วทีนี้เราก็มาเป็นไลฟ์กาดได้พอใครไหนคนไหนจะจมน้ํำก็กระโดดลงไปช่วยเขาได้เนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของต น, นแล้วคนอื่นก็ต้องเป็นอย่างเดียวกัน การช่วยเหลือเขาการสอนเขาก็สอนให้เขาเป็นที่พึ่งของเขาเองไม่ใช่ไปแบกไปหามเขาตลอดเวลาเขาก็จะกลายเป็นคนก็ไม่ไปคนไม่มีแขนไม่มีขาไปแล้วเขาก็จะพึ่งเราไปจนวันตายถ้าไม่มีเราเขาก็จะวุ่นวายเดือดร้อนแต่ถ้าเราสอนให้เขาพึ่งตนเองได้ต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาพึ่งเราอีกนี่คือวิธีที่พระเจ้าปฏิบัต ตรงป ฏ, ปฏิบัติเพื่อให้พระองค์เป็นที่พึ่งของพระองค์ก่อนเมื่อพระองค์ได้เป็นที่พึ่งของพระองค์แล้วก็มาสอนให้พวกเรามาปฏิบัติเพื่อให้พวกเราเป็นที่พึ่งของเราเองาการที่เราจะเป็นที่พึ่งของพวกเราก็คือต้องสามารถปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาตนเองกเเ็งเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการบาเพ็ญทานศีลภาวนานี้เห็นถ้าพวกเราอยากจะเป็นที่พึ่ง มีความสุขมีความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปและจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์บอกว่ามหาโจเนี่ยมาเกิดเนี่ยแล้วเขาเอา <palm itting> เอาบุญส่วนไหนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ครับอาจารย์ก็มันหมดกรรมไงเข้าไปใช้กรรมหมดแล้วคือเราทำบุญทำบาปอยู่แล้วเราจะมีบัญชีบุญกับบัญชีบาปคอยมาบวกลบกันมามาชักกระเยอะกันเวลาใดที่บุญกับบาปมันเท่ากันเวลานั้นมันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปนรกไปอบายไม่ได้มันก็ต้องมาเป็นมนุษย์แต่เวลาใดที่บาปมันมี กำลังมากกว่ามันก็จะดึงไปนรกเช่นเทวทัตเนี่ยบาบมันมากกว่าบุญเวลาตายก็เลยต้องไปตกนรกเอเวจีก่อนแต่ต่อไปบาบมันก็จะหมดบาบมันก็จะมาเท่ากับบุญพอมันเท่ากับบุญมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาบําเพ็ญภาวนาใหม่ได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าได้ต่อไป คือบุญกับบาปไม่หมดมันเพียงแต่ว่ามันคอยดึงกันคอยแย่งกันถ้าบัญชีถ้ามันเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอันไหนมันมากกว่ามันก็ไปทางนั้นบุญมากกว่ามันก็ไปทางบุญบาปมากกว่ามันก็ไปทางบาปแต่ไปสักระยะหนึ่งมันก็มันก็อ่อนกำลังลงพอมันเท่ากับบุญมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทําบุญมากกว่าบาปมันก็จะไปทางบุญอย่างพระ พระเทวท่านนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่ากลับมาคราวหน้ามาเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญสร้างบุญมากกว่าบาปจนได้บรรลุเป็นพระประเจกข้พระพุทธเจ้าต่อไปเห็นบุญก็ไม่หมดทีเดียวไม่บาปก็ไม่หมดทีเดียวเพียงแต่ว่าเวลาใดที่มันมีกําลังเท่ากันมันก็เลยไม่สามารถไปสวรรค์ได้ไม่ไปไปนรกไม่ได้มันก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์แต่ที่สายเดิมมันยังติดมาอยู่ นิสัยมาหาโจรมันยังติดมาอยู่มันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีใครมาเตือนมาสอนมันเดี๋ยวมันก็ไปเป็นมหาโจรอีกแต่ถ้ามาเจอพระพุทธศาสนามันอาจจะกลับใจได้หรือ ม, มาเจอพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่คอยสอนลูกว่ า, าลูกอย่าทําบาสนะลูกทําบุญนะเนี่ยนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่คอยสอนลูกใ ห, ให้รู้จักผิดถูกดีชั่วเผื่อถ้ามันไม่รู้มันจะได้ปรับแก้ไขตนเองได้ แต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวของมหาจนด้วยกันมันก็ไปกันใหญ่เลยคนมาเกิดก็เป็นมหาจนอยู่เก่าแล้วมาเจอมหาชนใหม่เป็นพอ่อเป็นแม่มาคอยสอนมันก็สอนให้ไปเป็นมหาชนน้่ <c oughs> มันสิ่งแวดล้อมก็มีมีส่วนในการที่จะล้อมจิตใจของของคนได้ถ้าได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีก็มีโอกาสที่จะดีได้แต่ก็ไม่เสมอไป บางทีพ่อแม่ดีแต่สอนยังไงลูกก็ไม่ยอมดีด้วยอันนี้เพราะว่านิสัยเดิมมันแรงมันฝังลึกเป็นสันดานถ้ามันฝังไม่ลึกมันไม่เป็นสันดานมันก็อาจจะแก้ง่ายเปลี่ยนได้ง่ายเข้าใจไหมถ้าเป็นเทวดาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อถึงวาระของมันเมื่อเหตุปัจจัยมัน มันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่อีกแล้วเวลาตายไปบุญกับบาปมันก็จะมาแย่งใจดวงนี้ไปอีกจนกว่าจะได้บุญแบบพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดัง <c oughs> นั้นมีลูกเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะอย่าไปเลี้ยงแต่ร่างกาย ร่างกายไม่สําคัญนะสำคัญเรื่องจิตใจต้องพยายามสอนให้มันทําบุญใส่บาตอย่ากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความซื่อสัตย์สุจริตพยายามสอนเขาเรื่องดวงจิตที่จะมาเกิดนะคะสิ่งใดเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะได้เกิดในครอบครัวที่ดีหรือว่าครอบครัวที่แรงแค้นเหมือนที่เราชอบพูดกันว่าครอบครัวคนรวยอยากจะมีลูกก็จะไม่มีแต่ครอบครัวหาเช้ากินข้ามกลับมีลูกเยอะแยะอะไรอย่างเนี้ยค่ะ อะไรที่จะเป็นตัวกําหนดว่าดวงจิตดวงไหนที่จะได้เกิดในในที่ที่ดีหรือที่ที่สุขที่ที่ต่ำอะไรท่านก็บอกว่าบุญกรรมนี่แหละบุญกับบาปที่เราทํานี่แหละมันจะเป็นตัวกําหนดบุญมันก็จะดึงไปหาคนใจบุญบาปมันก็จะดึงไปหาพวกใจบาปด้วยกันมันน้ํากับน้ํามันเนี่ยมันมันไม่มันไม่น้ํามันจะเข้าหาแต่น้ําน้ํามันมันก็จะวิ่งเข้าหาน้ํามันพวกคนใจบุญก็จะเดินเข้าหาพวกใจบุญด้วยกัน พวคใจบาปก็จะไปหาพวคใจบาปด้วยกันก็คือถ้าอยากที่อาจารย์ว่าก็คือถ้าผู้ที่มาจากเป็นโจรเป็นโจรมาก่อนเป็นโจรใจร้ายใจทะนินมาโอกาสที่เขาจะได้มาเกิดกับครอบครัวที่ดีที่เป็นผู้สละมิจชนที่ดีนี่ก็จะยากคือมันมีทั้งสองส่วนบุญกรรมมีส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีที่เกิดหรือเปล่าบางที หาหาคนใจบุญเกิดไม่ได้มันก็ต้องไปเกิดอยู่กับคนใจบาปก็ได้อต่ถ้าคนคนที่มาเกิดเป็นคนใจบุญถึงแม้จะอยู่ครอบครัวของคนใจบาปก็ไม่ไปทําบาปตามเขาก็ได้มีบุญเกา่กาวไว้หนุนอยู่ในทางตนข้ามคนที่ใจบาบแล้วไปเกิดในบ้านของคนใจบุญก็มีแต่ก็ ยังติดอยู่กับการทำบาปอยู่เติพ่อแม่คือน้นเขาก็ยังมกรรมถึงจะได้ลูกที่เออสอนเขายังไงก็ยังเขาก็าไม่เอาแล้วมันมีเหตุหลายปัจจัยด้วยกันแต่โดยหลักก็คือบุญกรรมนี่เป็นเหตุหลักแต่เหตุอย่างอื่นก็คือมันอาจจะมีจังหวะมีอุบัติเหตุมี <laughs> ความผิดพลาดอะไรนี้มัน <c oughs> ไม่แน่นอน ยิ่งไม่ว่าไค่มาเกิดในครอบครัวเราเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนอคันตุกะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเนื้อหนังมังสาเป็นชีวิตจิตใจของเรามาจากชีวิตจิตใจของเราเข้ามาเพียงทางร่างกายทางร่างกายนี้มาจากของเราแต่ทางจิตใจนี้เข้ามาตามบุญตามกรรมอย่างที่เราสวดกันทุกวันว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมกรรมะบรรทุกกรรมะโยนี มีการเป็นผู้ให้กำเนิดมีการเป็นเผ่าพันธ์เนี่ยกรตัวนี้แหละเป็นพ่อแม่ของดวงจิตดวงใจทำบุญก็จะก็ใจก็เป็นใจบุญทำบาปก็จะเป็นใจบาปดัง <c oughs> นัขอให้เราทำบุญกันว่าอย่าทำบาปแล้วไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนบุญของเรานี่แหละจะคุ้มครองเราไปเองถึงแม้จะต้องไปตกละกรรมลำบากอยู่กับ คนไม่ดีเราก็จะไม่ถูกเขาฉุดลากไปในทางที่ไม่ดีแล้วบุญนี่แหละจะช่วยเราเองเพราะคนที่ใจบุญคนดีนี่มักจะมีคนเมตตาสงสารมีคนที่อยากจะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ใจบาสนี่ถึงแม้จะไปอยู่กับคนใจบุญคนดีเขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือถ้ารู้ว่าเป็นคนไม่ดีทั้งทัที่เขากระชอบช่วยเหลือ แต่พอไปเจอคนไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลืออยู่ดีเน้นขอให้ทำบุญล่าบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้เพียงสองข้อแรกก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดแต่ถ้าทำข้อที่สามได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเ mm. พราะเชื้อของภพชาติถูกทำลายไปหมดคือความอยากทั้งสาม อาจารย์ครับเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงตัดไปว่าเราไม่เห็นกรรมใดที่หนักไปกว่ากรรมที่เกิดจากนิชชาชิติหรือความเห็นผิดครับอาจรเพราะว่าความเห็นผิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราไปทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเราคิดว่าทํานี่แล้วเราจะเจริญแต่ความจริงมันทําให้เราเสื่อมเช่นคนที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่า เสพชูลายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดค้านี้จะทำให้เขามีความสุขความเจริญเขาก็เลยทำไปแล้วผลเป็นยังไงในที่สุดก็ต้องไปทำมิจฉาชีพไปไปติดคุกติดตารางม่มีเรื่องราวต่างๆมีปัญหาต่างๆตามมาทั้งหมดอันนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิพาไปถ้าคนมีสา ม, มาทิฏฐิก็จะรู้ว่า อ, อบายามกนีเป็นของเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจใการทำบาปทำกรรมนี้เป็นโทษแก่จิตใจเขาก็จะไม่ทํายันมิจฉาทิฐิเป็นตัวที่จะลากคนให้ไปทําผิดส่วนสัมมาทิฐิก็จะเป็นตัวที่จะลากให้คนไปทําถูกในมรรคแปดพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงสัมมาทิฐิเป็นตัวแรก เพราะว่าเป็นตัวนําเหมือนกับผู้ผู้เหมือนกับวัวควายที่จะลากเกวียนอย่างเงี้ยวัวควายมันจะต้องอยู่ข้างหน้ามันจะลากเราไปทางไหนถ้าสามมาทิฏฐิมันก็ทางพาเราไปสู่สุขติพาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามิจฉาทิฏฐิมันก็จะพาเราไปสู่นรกไปสู่อบายไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น เราถึงต้อง ส, งสอนสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมจากการได้เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านมีสัมมาทิฏฐิล้วนๆมีความเห็นที่ถู ก, กต้องถูกล้วนๆทุกคําพูดของท่านนี้มีคุณมีประโยชน์กับเราถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติตามได้เราก็จะได้เข้าสู่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายได้ ตอนนี้ใจของเรามันไม่มีสัมมาทิฏฐิกันมีบ้างไม่มีบ้างสลับกันแต่ส่วนใหญ่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยถ้าเรายังคิดอยากจะเล่มอยากจะรวยนี่ก็มิจฉาทิฏฐิแล้วอยากจะมีลูกมากๆกก็มิจฉาทิฏฐิแล้วมองไม่เห็นทุกข์จากการมีลูกอยากจะมีภรรยาเมีสามีหลายคนก็เหมือนกันอยากจะมีอะไรมากๆากนี่มันไม่รู้หรอกว่ากําลังมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ไม่เห็นอ น, นิจจังของของสิ่งเหล่านี้นั่นเองไม่เห็นว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมันวันบวชไปนี้เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าอยากบวชอยากบวชชีบวชพระอยากภาวนาอยากอยู่คนเดียวอยากทําใจให้สงบอันนี้เ ร, เรียกสัมมาทิฏฐิเพราะจะนําไปสู่ความสงบสุขไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พระอาจารย์ทรงสอนให้เราเหมั่นฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดสัมมาทิฐิการเลณธรรมะสวัณังเอตมังกลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกวันพระหรือวันเสาร์วัอาทิตย์สมัยนี้เราไม่สามารถหยุดตามวันพระได้เราก็ต้องใช้วันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของเหล่านี้เป็นวันพระแทน วันเสาวันอทิตย์เราก็ต้องเข้าฟังเทศฟังธรรมกันจะไปฟังที่วดัดไปฟังกับพระโดยตรงหรือสมัยนี้มีสื่อให้เราฟังได้อยู่ตลอดเวลาและสามารถฟังได้ทุกวันหรือบางวันฟังได้ทั้งวันเลยยิ่งมีโอกาสที่มีสมาธิฐิดได้มากกว่าสมัยพระพุทธการกเสียด้วยซ้ําไปฟังไวเ้เถิดธรรมะนี้มีคุณมีประโยชน์ไม่มีโทษเลย ฟังเท่าไหร ย, ยิ่งทําให้เรามีความรู้ความฉลาดมีความเห็นที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นไปเนี่ยการฟังธรรมได้ก็แสดงว่าเรามีอา น, นิสงส์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเรื่อง จ, จิตใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้ตอนปกติเขาจะไม่มีแสดงกันในหนังสือพิมพ์หรือในทีวีกันต้องฟังเท่ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ฟังเรื่องนี้ เรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันแล้วหลังจากที่เราได้ฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปเราจะทำให้กำจัดความสงสัยได้ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิโลบล้างมิจฉาทิฏฐิได้คนที่ไม่่คยฟังเทศน์ฟังธรรมก็อาจจะคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่พอฟังเทศน์ฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงแล้วจะขัด ฟังแล้วจะเถียงไม่ขึ้นจ่อ ย, ยอมรับว่าสนกมีจริงสวรรค์มีจริงแล้วก็ฟังแล้วก็จะทำให้จิตใจล่มเย็นเป็นสุขผ่องใสนี่คืออ น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมห้าประการและการจะให้มีอ น, นิสงส์อันนี้เกิดขึ้นก็ต้องฟังด้วยสติใจต้องจดจอ่อใจต้องสงบใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆร่างกายวาจาก็ต้องสงบ ไม่ใช่สมัยนี้เวลาพระเทศพระสวดนี้ญาติโยมก็พนมมือแล้วหันหน้าก็หากันเป็นยังไงไปไหนมาวันนี้ค <c oughs> ุยกันไปจ้อไปหมดเลยป้าพระเทศเสกก็สาธุสาธุ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าท่านเทศอะไร <c oughs> นี่เลยทัพพีในหม้ อ, อกแกงก็ยังฟังแบบทัพพีในหม้ อ, อกแกงไม่มีวันดูรสของแกงเลย แต่ถ้าฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อที่สงบนิ่งทุกคําพูดจะได้ยินหมดก็จะเป็นเหมือนลิ้นกับแกงพอพูอะไรมานี่จะเข้าใจเข้าใจเข้าใจทันทีอยงาั้นพวกเราอย่าเป็นพวกทัพพีในหม้อแกงกันนะขอให้เป็นพวกลิ้นกับแกงเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วต้องทิ้งทุกอย่างอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นข้าวของอะไรที่ต้องทาปล่อยไว้ก่อน ฟังเทศให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทําทีหลังไม่มีอะไรสําคัญกว่าการฟังเทศที่เวลาฝนตกเสียงดังเราก็ไม่เทศเนี่ยเพราะว่ามันทําให้การฟังไม่มีอัธรรตฟังไม่ชัดเจนฟังแล้วมันจะทําให้ลาคาญใจมากกว่าแล้วเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วมีคนคุยกันอย่างนี้มีคนทำไอ้นู่นไอ้นี่ก๊กกิ๊กก๊อกแก๊กนี้มันก็มารบกวนสมาธิของผู้ฟังและผู้แสดงได้ จึงต้องจึงต้องมีความสงบทุกคนทั้งผู้แสดงและผู้ฟังผู้แสดงก็พูดไปแสดงไปผู้ฟังเขาฟังไปแล้วก็จะเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาเกิดความสงบก็จะหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ฉั้นขอให้เรา ฟ, ฟังกันให้มากๆสมัยนี้เราสามารถฟังได้ทั้งวัน มีสื่อให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ต้องรู้จักแยกแยะเลือกฟังเท่านั้นเองเพราะธรรมะสมัยนี้ก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งธรรมเมาไปเจอธรรมเมาเขาก็เมาเลยนะห <laughs> ลงไปเลย <laughs> ถ้าอยากจะรู้ธรรมแท้เบื้องต้นต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเป็นหลัก ขณะนี้เวลาไปฟังเทศของพระรูปอื่นของครูบาอาจารย์รูปอื่นจะได้รู้ว่าท่านพูดอยู่ในแนวของพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนพอไปฟังจากท่านบางทีก็เลยไม่รู้ว่าท่านพูดถูกหรือทุกขผิดเพื่อต้องเชื่อท่านไว้ก่อนแเพราะพระโกหกไม่ได้ควาจริงท่านก็ไม่โกหกแต่ท่านพูดจากความเห็นผิดก็ได้เห็นผิดเป็นชอ่อเห็นกงจากเป็นดอก บ, บัวไป หรือสอนไปอยู่ในขั้นต่ำๆไม่สอนให้เราขึ้นอยู่ขั้นสูงเลยเจอที่ไหรก็ขอให้ทำบุญอย่างเดียวบริจาคบุสร้างซื้อที่ดินแล้วนนจะมีจะมีบ้านทิพยโลกทิพยคอยเราอยู่ก็จะเอาแต่ทำบุญอย่างเดียวไม่พูดถึงเรื่องรักษาศีลไม่พูดถึงเรื่องภาวนาเลยอันนี้มันก็จะสอนอยู่ในระดับอนุบาลไม่พาให้เราได้ก้าวหน้าต่อไป เราต้องศึกษาให้มันครบถ้วนกระบวนการของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษามรรคแปดศึกษาธรรมาจากกับประวัตน้าสุดศึกษามงคลตละสุดสามวิธีเป็นสร้างมงคลขึ้นมาสามสิบปดประการใช่ไหมอันนั้นแหละเป็นสูตรครบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นพันธิพานะไรอยู่ในมงคลตละสุดนั่นหมดเลย ลริมต้นจากการครบคนไม่ดีเลืการครบคนดีไม่คบคนชั่วนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นสิริมงคลของชีวิตเราถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้เราจะไม่รู้ว่ า, าพระที่นำธรรมะของพระเจ้ามาสอนนี่นำเอาทำระดับไหนมาสอนแทนที่เราจะก้าวหน้าสูงขึ้นไปก็กลับมาติดอยู่กับคําสอนที่อยู่ในระดับขั้นต่ำํำพอเราคิดว่ามีเท่านี้ แั้นเราต้องศึกษาจากจากต้นต่อก่อนเอามาจากข้ออดเลยมีไม่มกี่พระสูตรอที่สําคัญสําคัญที่จะให้เราเข้าใจหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยธรรมจักรกับประวัตนาสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรสามสูตรนี่ก็เหลือกินแล้ะถ้าศึกษาแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นหมา แล้วทีนี้พอเราไม่เข้าใจรายละเอียดแล้วก็ไปถามภาพที่ปฏิบัติมาได้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรการฟังธรรมแล้วเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านก็จะมาอธิบายมาขยายความให้เราอีกทีการไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรนี้เป็นมงคลอย่างไรอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าการที่ไม่การที่มีมีมิจฉาทิฐินี้เป็นเป็นอัมอัประมงคลอย่างยิ่งเนี่ยก็ ถามแล้วก็จะได้รับการอธิบายต่อไปได้มีการอยากจะถามอะไรไหมอยากจะขออนุญาตเรื่องกำหนดจิให้มีสติในแต่ละวันไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไมเลยเก็ให้เฝ้าดูร่างกายไงนั่งกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทําอย่างนั้นอย่างเดียว เช่นกำลังแปลงฟันก็แปลงอย่างเดียวไม่ใช่แปลงไปก็คิดถึงว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่ออย่าเลือกแล้วว่าอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับลมหายใจมันก็จะไม่ไปที่อื่นพอมันอยู่กับเรื่องเดียวเดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามันดูลมแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปจนวันตายมันก็ไม่สงบโดยอถ้าอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็สงบห้านาทีสิบนาทีเท่านี้แล้วอยู่กับงานที่เราทํำออยู่กับงานที่เราทําแต่ถ้ามันไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้ช่วยกันสองบางทีเชือกเส้นเดียวดึงมันไม่อยู่มันมันเหมือนลิงมันมีกําลังมากกว่าก็ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งมันดึงมันไว้ผูกมันไว้ ให้มันอยู่กับงานแล้วมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้พุทโถะย้ำกับเขใหม่าว่าะการทํางานบางอย่างไม่ต้องใช้ความคิดพอไม่ใช้ความคิดมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็ต้องใช้พุทธโถดึงเหมือนกลับมาแต่งานบางงานต้องใช้ความคิดมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ให้เวลาจะทําบัญชีบวกลบคูณหานี่มันจะไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คิดไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้พุทโธ เอาและนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้อนาอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน